ศีลธรรมไม่มีโลกก็ร้อนไม่รู้จักเลิกหรอกเราแก้ไม่ไหวนะเพราะว่าสังคมเรามันเดินพลาดมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่รีตีกลองประชุม 2,504 นะเราพัฒนาเศรษฐกิจเราไม่พัฒนาจิตใจเราทิ้งเลยนะถือว่าศีลธรรมนะทำให้ล้าหลังสมัยน้องคิดอย่างนี้จริง ผู้บริหารเคยสั่งพระอย่าสอนเรื่องสันโดษนะอ่าต้องสอนให้คนขยันทำงา น, นตัวเองไม่มีความรู้นะไม่รู้ว่าสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจสันโดษหมายถึงว่าทำงานให้เต็มที่นะแต่ได้รับผลเท่าไหร่สันโดษในผลไม่ได้สันโดษในเหตุได้รับผลเท่านี้แหละมันเต็มฝีมือแล้วได้เท่านี้ก็ยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองทามาไม่อิจฉาคนอื่นเขา นี่พอคนไม่มีศีลธรรมนะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เลือกวิธีการที่ใช้เนี่ยน่ากลัวที่สุดละทางการเมืองก็แย่งอานาจไม่เลือกวิธีที่ใช้กระทั่งวงการพระก็เหมือนกันนี่พวกเราเวรกรรมจัดสรร น, นะให้เรามาเกิดในยุคเสื่อมเราเลือกไม่ได้เเกิดมาแล้วในยุคนี้ ทำยังไงเราจะสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือปัญหาอันนี้คือความทุกข์ต้องแยกออกจากกันให้ได้ปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้นะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่ออะไรนี่คือปัญหานะต้องแยกปัญหากับความทุกข์ออกจากกันให้ได้ให้มันเหลือแต่ปัญหาอย่าเหลือความทุกข์ในใจเรามีจิตใจที่เข้มแข็งนะมีสุขภาพจิตที่ดีเราถึงจะสู้กับปัญหาได้ เราเลี่ยงปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนก่อเราไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีในการก่อปัญหาเราเป็นแค่เบี้ยเบี้ยในกระดานซึ่งคนมีอำนาจเขาจับเดินตามใจชอบงั้นเราค่อยฝึกนะต้องฝึกจิตให้ได้ถ้าฝึกจิตดีเนี่ยเราจะแยกได้แล้วปัญหาส่วนปัญหาความทุกข์ส่วนความทุกข์ปัญหามีอยู่ปัญหามีอยู่ ถ้ใจไม่ทุกนะใจมีสติใจมีปัญญาค่อยๆหาทางแก้ทำไงให้อยู่รอดให้ได้ก่อนในะช่วงนี้วิธีการที่เราจะแยกเอาใจออกมาจากทุก์ได้ต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์กับปัญหานื้คนละเรื่องกันปัญหาเนี่ยคนอื่นสร้างให้เราได้แต่ความทุกข์นี่เราสร้างขึ้นเอง เนี่ยอย่างหลวงพ่อตอนนี้มีปัญหาจเจตเมงวันมันมายุ่งยุ่งยุงยุงย่ ง, งนะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดแมงวันซแล้วใจก็ยิ้มออกมาีใจก็ยิ้มแย้มออกมาเมื่อใจเรากระทบอารมณ์ทีหนึ่งก็เปลี่ยนทีนึงกระทบอารมณ์ทีหนึ่ ง, ก, งก็เปลี่ยนทีนึนะเวลาเราเห็นปัญห า, าจะตตามองเห็น เขาจะมาเผาใกล้บ้านเราแล้วตามมองเห็นหรือใจคิดคิดกังวลไปบ้านเราอยู่โซนนี้ไม่รู้จะถูกเผาเมื่อไรความทุกข์เกิดขึ้นในใจทุกข์ล่วงหน้าปัญหายังไม่มาก็ทุกได้นะหรือปัญหามาแล้วก็ทุกได้ปัญหาไปแล้วก็ทุกได้อีกเราทุกได้ในสามการเลยก่อนปัญหาจะมาเราก็ทุกนะเรากังวลว่ามันจะมาไม่มา ระหว่างที่มีปัญหาเราก็ทุกข์แหละถูกตีถูกเผาถูกอะไรก็ทุกข์ปัญหาผ่านไปแล้วนะเผาเสร็จแล้วก็ยังทุกข์อีกนะให้ความทุกข์นะมีจังหวะเล่นงานเราได้เยอะแยะเลยสังเกตให้ดีความทุกข์จะตามหลังความคิดมาถ้าเราคิดล่วงหน้านะเราก็กังวลใจทุกข์ล่วงหน้ากําลังปรากฏ อยู่ในสถานการณ์นี้กำลังอยู่ในสถานการณ์นะก็คิดอีกไม่อยากให้สถานการณ์นี้มีอยู่เลยก็ทุกข์อีกนะทุกข์ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ผ่านไปแล้วก็ทุกข์อีกนะโอ้เราเสียหายอย่างโน้อนอย่างนี้นะเมื่อวานก็มีคนหนึ่งนะน่าสงสารไม่รวยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าอุตสาหกรรมหากินนะลงทุนตั้งร้านขาย เบเกอรี่อะไรนะีลงทุนสี่ล้านตั้งได้เดือนเดียวเองนะกำลังขายดีเลยนะถูกเผาไปแล้วแต่ว่าใจที่เขาดีนะใจที่เขาศึกษาธรรมะร้านเขาไหม้ไปแล้วเสียใจไม่เสียใจแน่นอนนะแต่ไม่คลุ้มคลั่งนะเสียใจเสียสี่ล้านนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะอุตสาเก็บหอมรอมริบทม ทำได้เดือนหนึ่งทำลายไปแล้วเนี่ยถ้าใจเราไม่มีธรรมะนะปัญหาผ่านไปแล้วเรากลุ้มอีกเป็นปีๆเลยนี่เขาก็คิดว่าวันข้างหน้าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทำไงวางแผนต่อไปแล้วไม่คล่ำครวญถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วสังเกตดูเธอตัวที่ทำให้เราทุกข์มากนะคือความคิดของเราเองนี่คิดไปก่อนนะก็กังวล น, นะ ระหว่างเจอปัญหาก็มัวแต่คิดวุ่นวายว่าทำยังไงจะไม่มีปัญหาทั้งๆ ท, ท, ที่ปัญหามีแล้วแทนที่จะคิดแก้ปัญหาคิดลดความรุนแรงของปัญหากลายเป็นคิดว่าทำยังไงปัญหาจะไม่มีอยากให้มันไม่มีพอปัญหามันต้องมีก็ทุกข์สิพอความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะก็อาลัยอาวรณ์คล่าครวญถึงอดีตที่เสียไปแล้วก็ทุกข์อีกและความทุกข์เกิดได้ําเวลาเลย 3การสามกาละแต่ทั้งหมดเลยมาจากคิดเอานะเรามาฝึกใจง่ายๆเลยทายังไงเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเรามาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เราจะไม่กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะไม่ ค, คล่ําครวญถึงอดีตเราจะมีสติอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านยกย่องมากนะ บอกว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วนะไม่กล่ำกลวนถึงอนาคตยังมาไม่ถึงให้มีสติมีส ต, มสติมีปัญญาอยู่กับปัจจุบันนี่ท่านยกย่องมากเลยคนที่มีชีวิตอย่างนี้คนที่มีชีวิตแบบนี้จะไม่ทุกข์หรอกงั้เราพยายามฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันจิตจะไหลไปคิดเรื่องอดีตรู้ทันจิตจะกังวลไปถึงอนาคตรู้ทันนะ รู้ทันจิตอยู่ในปัจจุบันนี่เรียกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปรู้ทันอะไรหรอกรู้ทันจิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหลนะถ้าเราไม่รู้ทันจิตในปัจจุบันนะจิตก็จะหลงไปอดีตม้างไปคร่าครวญถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหลงไปอนาคตไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้นะอดีตมันก็ไม่มีนี่ เข้าใจไม่หลงไปคิดอดีตไม่ได้มีจริงมัแค่ความคิดล้วนๆเลยอดีตจบไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะเหลือแต่ความจำนึกออกไหมอดีตเหลือแต่ความจำไม่ได้มีจริงแล้วเราไปจำแล้วเราก็เจ็บอกเจ็บใจเสียอกเสียใจเพราะนั้นใจเราหลงไปนะคิดถึงอดีตจำได้้วคิดถึงก็ทุกข์ใจเรากังวลปรุงแตง่งนะไปถึงอนาคตก็ทุกข์อีก พยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ทันใจของเราใจไหลไปอดีตก็รู้ใจไหลไปอนาคตก็รู้นะใจกาลังคิดวุ่นวายอะไรลืมกายลืมใจอยู่ในปัจจุบันเราก็ค่อยรู้สึกนะเนื้อรู้อยู่ในปัจจุบันนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่รู้อยู่ในปัจจุบันมันก็จะหลงไปอดีตไปอนาคตนะความทุกข์สาการนะเราแก้ไปได้สองละ เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์ในอดีตไม่มีแล้วความทุกข์ในอนาคตไม่มีเหลืออันเดียวอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันมันมีจริงปัจจุบันมีจริงนะอดีตอนาคตไม่มีอดีตจบไปแล้วไม่มีแล้วอนาคตยังไม่เกิดนะแต่ปัจจุบันมีจริงงั้นความทุกข์ในปัจจุบันมีจริงๆริไม่ใช่ความทุกข์ที่คิดเลื่อนๆหลอยลอะไรที่เป็นความทุกข์ของปัจจุบันนะ รูปธรรมนามารมกายกระใจเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์ในปัจจุบันนี้นะอย่างคนทุกข์ถึงอดีตใช่ไหมจริงๆคือทุกข์ในปัจจุบันใช่ไหมคนกังวลถึงอนาคตก็คือกังวลอยู่ในปัจจุบันนั้นะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะเรามีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองมันจะปรุงความทุกข์ขึ้นมารู้ทันมันนะความทุกข์ทางใจจะหายไปเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะ นะความทุกข์ในปัจจุบันนีมนะนม้มีจริงๆคือรูปธรรมนามธรรมมีจริงๆไม่ใช่ฝันฝันเอไม่ใช่คิดคิดเอไม่ใช่จำจำเอแต่มันมีอยู่จริงเวลามีความทนะุกข์นั้นไม่ได้ให้หนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์นะอะไรเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์งั้นเราคอยรู้ลงในกายรู้ลงในใจบ่อยๆนะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจ เราจะพบว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจออกก็ทุกข์นะไม่เชื่อลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้แป๊บเดียวก็รู้แล้วเดี๋ไม่กี่วินาทีก็รู้แล้วว่าหายใจออกก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแป๊บเดียวนะไม่กี่วินาทีแล้วทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์ที่หายใจขาแหววขาแหววอยู่ทุกวันนี้หายใจเพื่อแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปนะเดี๋ยวก็หิวใช่ไหม กินมากไปนะก็อยากขับถ่ายอีกอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเลยก็ทุกข์นะคนนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกะดิกก็ทุกข์เคลื่อนไหวมากก็เมื่อยทุกข์อีกเนะี่ยร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะแก้ไม่ได้บาบัดได้เป็นคราวๆนะทำให้หายขาดไม่ได้แบบใดที่มีร่างกายนะความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยไม่หายขาด ไม่มีศาสตร์อะไรนะที่ทำให้ความทุกข์ทางร่างกายหายขาดได้หายชั่วคราวได้อย่างหมอเน่งแกใครเจ็บใครป่วยนะแกฝังเข็มฝังเข็มแล้ไม่มันไม่เจ็บไปชั่วคราวนะฝังไปทั้งชาติฝังไม่ได้เนี่ยฝังดินได้นะฝังเข็มไม่ได้หรอกเนี่ยพอเรามีสตินะเราเรียนรู้ลงในร่างกายเราจะพบว่าร่างกายมีความทุกข์ ห้ามขาดไม่ได้ได้แต่บำบัดเป็นคราวๆไปนะไปหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็ไปอาบน้ำอนะไรเงี้ยเหนื่อยก็พักนะอยู่นิ่งๆมากก็อ่อนเปลี้ยต้องเคลื่อนไหวนะแก้ปัญหาเป็นคราวๆไปนะไม่มีสิ้นสุดจนกว่าร่างกายนี้จะแตกสลายแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เราแก้ได้ในปัจจุบัน ความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากมีความอยากขึ้นเมื่อไรมีความทุกข์ขึ้นเมื่อนั้นให้เราสังเกตใจของเราไปใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันถ้าค so ่อยรู้ความอยากของใจบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าใจอยากในสิ่งที่ไร้สาระนี้เยอะมากเลยวันๆหนึ่งอยากในสิ่งที่มีสาระไม่มากอ่ะอยากในสิ่งไร้สาระนี้เยอะ อยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากกินโน้นอยากกินนี่อยากคุยกับคนโน้นนะอยากไม่เห็นหน้าคนนี้อะไรเนี่ยอยากให้อากาศเย็นๆพอร้อนแล้วก็อยากให้เย็นนะพอเย็นมากก็อยากโอเย็นมากไปอยากให้อุ่นๆน่งี้ฝนตกก็โมโหโอ้มาตกทาไมลาบากฝนไม่ตกเลยก็กลุ้มใจใจนั้นมันเต็มไปด้วยความอยากนะ อยากได้ฝนหรือไม่อยากได้ฝนอย่างเงี้ยนะความอยากเรามีตลอดเวลานะความอยากมีตลอดเวลาเพราะความอยากเกิดขึ้นนะใจจะเครียดแล้วนะความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจจะเครียดเมื่อนั้นะไปสังเกตนะว่าจริงหรือไม่จริงมันกลัวไม่ไดนะ้หรือได้แล้วไม่ได้เหมือนที่อยากเงี้ยนะได้มาแล้วกลัวมันหายไปอย่างเงี้ยหรือบางอย่างนะตอนยังไม่ได้อยากได้นะ พอได้มาแล้วอยากให้มันหายเร็วๆถามดูผู้ชายที่แต่งงานนะต้องถามดูแต่เวลาคุยกับเพื่อนก็จะคุยแบบนี้นะอยู่ที่บ้านก็คุยอีกอย่างหนึ่งใครจะไปพูดคนยังไม่แต่งงานอยากแต่งคนแต่งแล้วอยากเลิกอย่างนี้นะแมความอยากนะั้เกิดตลอดเวลาเลยความอยากเกิดเมื่อไรใจก็เครียดเมื่อนั้นทํายังไงห้ามความอยากไม่ให้เกิดได้ไหม ห้าไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตานะแต่ให้เรามีสตินะความอยากเกิดขึ้นในจิตเราคอยรู้ทันไหมนะอย่างเขาจะตีกันนะเราโอ้ยเมื่อไหร่เขาจะกลับบ้านไปให้หมดนะเลิกมายุ่งในกรุงเทพสุกทีี่เราอยากความอยากเกิดขึ้นก็รุ่มใจนะหลวงพ่ออยู่เมืองชนนะเขาไปตีกันกรุงเทพหลวงพ่อไม่รุ่มเท่าไหร่หรอกแต่สงสารพวกเราเนะมื่อไรความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น ความอยากจะเกิดนี่ห้ามไม่ได้แต่ถ้าความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทั น, นจิตจะไม่ถูกความอยากบีบคั้นนะความอยากจะบีบคั้นจิตใจไม่ได้มันจะอยากขึ้นมาพอ ร, รู้ทันก็สลายตัวไปหายไปนะคราวนี้จะเหลือเหตุผลและวไอ้สิ่งที่อยากนั้นสมควรอยากไหมถ้าสมควรอยากนะสมควรที่จะต้องทำอย่างนั้นเราก็ทำด้วยเหตุด้วยผล ยกตัวอย่างจิตมันอยากกินน้นอยากกินนี่พอเรารู้ทันความอยากความอยากดับไปเราก็เหลือเหตุผลแล้วสมควรกินก็กินนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่อยากแล้วจะต้องไม่กินถ้าทุกแยกครั้งที่อยากแล้วไม่กินคงไม่ได้กินอะไรเลยเพราะใจมันอยากตลอดเวลาหรืออยากได้เสื้อใหม่มีเสื้อตัวใหม่อยากได้พระสติรู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับไป เหลือเหตุผลแล้วสมควรจะไปซื้อไหมนะสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อจะเหลือเหตุผลนะเราดำรงชีวิตด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ดำรงชีวิตด้วยความอยากงั้นเราง่ายๆนะมีสติรู้ทันใจตัวเองไปใจเกิดความอยากขึ้นมารู้ทันใจเกิดความอยากขึ้นมารู้ทันนะความอยากไม่บีบคั้นนะไม่จนหรอก ฐานนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ความอยากน้อยไม่จนนะมีเงินมากแต่ความอยากมากนะจนนะเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เต็มตามความอยากหรอกนะนี่หัดดูใจนะ ใ, นใจมีความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ถ้ารู้ทันความอยากหายไปเหลือเหตุผลดำรงชีวิตด้วยเหตุผลล้ทุกข์น้อยหน่อย่นะอยากดีกว่านั้นเองนะความอยากนี่เป็นตะกูลโลภะ ลดโลภะไปได้ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นตั้งเยอะความทุกขน้อยไปเยอะเลยลดกิเลสตัวอื่นอีกโทสะนะโทสะมีหลายแบบนะความโกรธเป็นโทสะความกังวลเป็นโทสะความกลัวเป็นโทสะความตรนีเป็นโทสะนะความเศร้าโศกเสียใจคล่ําครวญเป็นโทสะแลนะนะโทสะมีหลายแบบนะอาฆาตพยาบาทนี่ตระกูลโทสะ อาศัยสตินี่เองรู้ทันใจของเราโทสะเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนะใจมันจะเกิดความอยากไปตามอำนาจของโทสะอีกเราคอยรู้ทันเช่นมันโกรธคนนี้มันก็อยากตีหัวเขานะแค่ความโกรธเกิดขึ้นในใจความทุกข์ก็เกิดลนะเมื่อไหร่กิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะความทุกข์มันก็เกิดในใจนะมันเบียดเบียนจิตใจให้เสียสมดุลของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน โทสะเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันไป น, ะนี่เราคยรู้ทันใจแล้วนะใจเรามีราคะมีความโลภมีตัณหา เ, นะาเกิดขึ้นใจก็ทุกข์นะใจมีโทสะเกิดขึ้นใจก็ทุกข์เรามีสติรู้ทันใจของตัวเองไปศัตรูของเรามีนะแต่ไม่ใช่คนอื่นหรอกศัตรูที่ทำให้เราทุกข์ก็คือกิเลสในใจเราเองนะมีกิเลสขึ้นมาอะไรใจก็ทุกข์ละ นัศัตรูอยู่ตรงนี้เองอย่ไปเห็นคนอื่นเป็นศัตรูเลยบางคนเคยไหมเราเคยเกลียดคนสักคนหนึ่งนะพอเวลาผ่านไปนานๆเรารักไอ้คนนี้ก็มีนะเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรก็มีเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูก็ได้เห็นไหมนั้นใจเราไม่แน่นอนแต่ถ้าใจเรารักนะเราก็ทุกข์ใจเราเกลียดเราก็ทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดเลยนะนั่นเราเคยรู้ทันใจนะ ใจมีราคะขึ้นมาเราคอรู้ทันใจมีโทสะขึ้นมาเราก็รู้ทันถ้าราคะเกิดนะมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะเกิดมันก็อยากให้หายไปความอยากเกิดแล้วความทุกข์มันเกิดนะแล้วราคะก็ทำให้เกิดตัณหาเกิดความอยากบางอย่างโทสะก็ทำให้เกิดตัณหาคือเกิดความอยากบางอย่างอยากให้คนนี้มันตายเร็วๆอย่างีนะ้อยากความอยากเกิดแล้วความทุกข์ก็เกิด เวลาคอยรู้ทันมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองนะการที่เราค่อยมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองนะสติมันเกิดขึ้นเมนะื่อไหร่เนี่ยโมหะจะหายไปเมื่อ น, นั้นโมหะเป็นกิเลสเป็นหัวหน้ากิเลสนะราคาโทษาดูง่ายโมหะดูยากละเอียดโมหะเป็นความหลงความไม่รู้ความจริงนะ อย่างไม่รู้สภาวะที่กาลังปรากฏในปัจจุบันนี้ก็เป็นโมหะนะไม่รู้ว่าสภาวะที่ในปรากฏในปัจจุบันนีไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนะเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตนี่ก็เป็นโมหะนะนโมหะก็มีหลายเกรดนะมีหลายระดับใจที่ฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะนะใจที่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็เป็นโมหะ สงสัยเรื่องอื่นไม่เรียกว่าโมหะอย่างสงสัยว่าคนที่นั่งข้างๆเรา น, นี้เชื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่โมหะสงสัยว่าถนน น, นี้ไปไหนไม่ใช่โมหะแต่เพียนนะถ้าสงสัยว่าถนน น, นี้ไปไหนถนนอยู่เนี่ยไม่เคยไปไหนเลยคนชอบถามว่าถนน น, นี้ไปไหนะถ้าคนตอบซื่อๆไม่เห็นมันไปไหนมันก็อยู่ตรงนี้ยมหาว่าเล่นสัมนวน สงสัยว่าถนนนี้ชื่ออะไรนะถนนนี้นะถ้าเดินไปตามถนนนี้จะไปถึงไหนอย่างนี้ไม่เรียกโมหนะโมหะต้องสงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงหรือสงสัยในพระธรรมพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่านะสงสัยในพระอริยะสงฆ์ถ้าสงฆ์จะมีจริงหรือในโลกนี้นะไม่ใช่โลกหมายถึงปัจจุบันนี้นะนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจะมีหรือพระละหัน์ ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยนะสงสัยสงสัยในเหตุที่ทําให้คนเป็นพระพุทธเจ้าเหตุที่คนจะพ้นทุกข์นะวิธีปฏิบัติทําไม่รู้อะไรพวกนีนะ้พวกนี้เป็นโมหะสงสัยวิธีที่ทําให้คนคนธรรมดาคนหนึ่งปุถุชนนะี่กลายเป็นพระอริยบุคคลเนะีย่ยนี้เป็นพวกโมหะสงสัยว่าคนนี้ชื่ออะไรนะไอ้ขนมอันนี้อร่อยไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่โมหะ เพรโมหะมีเยอะนะละเอียดเครื่องมืออันเดียวแหละที่จะสู้กับโมหะได้คือปัญญางั้นปัญญานี่มีอีกชื่อหนึ่งว่าอาโมหะงั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าอะไรจะไปสู้กับโมหะได้ต้องตอบว่าปัญญานะสติไม่พอสติไม่พอแล้วต้องมีปัญญาแต่ปัญญามีโดยไม่มีสติไม่ได้ กันขั้นแรกนะเรามีสติรู้ลงในกายในใจเรื่อยๆอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวเองบ่อยๆแล้วดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงดูของจริงเรียนจากของจริงดูว่าจริงๆนี่กายมันเป็นยังไงกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงกายนี้เป็นสุขหรือกายเป็นทุกข์กายนี้เป็นตัวเราที่แท้จริงหรือว่าไม่ใช่ตัวเรายืมโลกมาช่วครั้งช่วคราวมาอาศัยอยู่ช่วครั้งช่วงคราว น, นี่ดูจากของจริงจริง หรือมีสติรู้ทันใจของเราใจเราเที่ยงไม่เที่ยงใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะในความเป็นจริงคำว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าทุกขเวทนานะทุกข์ตัวนี้หมายถึงว่าทนอยู่ไม่ได้ยังมีความสุขเกิดขึ้นในใจเนี่ยความสุขทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่ามันทุกข์เหมือนกันนะของที่ทนไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์เนะี่ยจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตใจสุขหรือจิตใจทุกข์นะคือทนอยู่ได้หรือไม่ได้ จิตใจเป็นอนัตตาหรือเป็นอตตาบังคับได้ไหมสั่งได้ไหมถ้าสั่งได้ทุกคนก็สั่งเลยนะว่าจงเป็นพระอรหันในการระบาดนี้เทินไม่เป็นหรอนกสั่งไม่ได้อย่าว่าแต่สั่งให้เป็นพระอรหันเลยสั่งว่าอย่าคิดชั่วนะห้ามได้ไหมอย่าคิดชนะั่ว ห, นะ ห, ห, นะ ห, ห, ห้ามไม่ได้เห็นไหมอย่าโกรธนะห้ามได้ไหมอย่าโลภนะห้ามได้ไหมอย่าใจรอยนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ฝึกห้ามนะเพราะเราห้ามไม่ได้ ถ้าฝึกดูของจริงฝึกดูกายของจริงฝึกดูใจของจริงดูซิว่าจริงๆเป็นยังไงถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเราจะรู้เลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์นะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ของซึ่งเราอาศัยอยู่ชั่วคราวมีขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปนะไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร อ, อยู่เลยมีแล้วก็หายไปหมดเลยพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะใจมันจะอยากอะไรอ่ะ ความอยากมัหายไปเองนะถ้ารู้แจ้งขึ้นมามันไปอยากในของซึ่งมันไม่มีจริงเป็นอยากในของที่ไม่เที่ยงไปอยากในของที่เป็นทุกข์ไปอยากในของซึ่งไม่มีแก่นสารสาระที่ถาวร น, นี่เราไปอยากในสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานี่ถ้าเราคอยรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความเป็นทุกข์เห็นแต่ความเป็นอนัตตา ความอยากให้กายให้ใจเที่ยงก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจมีแต่ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากที่จะบังคับกายบังคับใจให้เป็นไปตามความปรารถนาตลอดเวลาจะไม่มีขึ้นมาเราจะไม่ยึดถือในกายในใจนี้นะไม่ยึดถือในกายในใจนี้ก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจกายเพราะใจกายกับใจเป็นของปัจจุบันความจำเป็นของอดีตไปความคิดเป็น ข, ของอนาคตไปไม่มีจริงอะ อนาคตยังไม่มีอดีตยังไม่มีปัจจุบันมีกายมีใจแต่มีกายมีใจแล้วเราไม่ฉลาดนะเราปฏิบัติ ก, กายกับใจตัวเองไม่เป็นมันนําความทุกข์มาให้มาทับถมจิตใจตัวเองถ้าเรามีสตินะมีปัญญารู้ลงในกายในใจด้วยดูซิกายจริงๆเป็นยังไงการที่เห็นความจริงของกายการที่เห็นความจริงของใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญา อาศัยมีสติตามดูมันไปนะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางดูแบบคนวงนอกนะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานไปในที่สุดเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันคือไตรลักษณ์นะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เองไม่ใช่ นิจจังสุขขังอัตตานะไม่ใช่พอมันรู้จริงแล้วนะร่างกายนี้จิตใจนี้น่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความอยากให้มันเที่ยงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะแก่จะกลัวหัหยเวลาร่างกายจะแก่นะเรารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องแกนะ่เรารู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจนี้ไม่เที่ยงต้องหายไปเราก็จะไม่ดิ้นรนมากนะไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย รู้ว่าต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักรู้ว่าต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักห้ามไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ด้วยนะแะแต่กรรมจะจัดสรรอย่างพวกเราขนาดนี้เจอสิ่งที่ไม่รักนะเราต้องอยู่ในบ้านเมืองที่วุ่นวายนะไม่มีใครชอบหรอกนะคนส่วนใหญ่คงไม่ไม่มีความสุขนะอันนี้เป็นเพราะกรรมของเรานะมีบากส่งผลให้เราต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมแบบนี้นะ แต่สภาพแวดล้อมแบบนี้ก็ชั่วคราวจำไว้นะท่องไห้นะไม่นานมันก็ต้องผ่านไปหรอกถ้ากรุงเทพพังหมดแล้วก็หมดแล้วไม่มีใครมายุ่งด้วยละหรือว่ามันหมดแรงจะตีกันก็เลิกไปหมดเงินซัพพอร์ตมันก็เลิกไ ป, น, support, น, กกไปนะเพราะงั้นสถานการณ์ปัญหาทั้งหลายที่ว่ารุนแรงรุนแร ง, ร น, แรงนี่ก็ของชั่วคราวนะถ้าใจเราฝึกมาดีนะเราจะเห็นทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุ ก, ก, ววท ก, ก็ชั่วคราวนะ สงบ ก, ก็ชั่วคราววุ่นวายก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวงั้นเวลาที่เราเผชิญความยากลําบากเนี่ยเราไม่ทุรนทุรายมากาไม่สิ้นหวังท้อแท้ในชีวิตหรอกเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ชั่วคราวเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่จะตีกันตลอดไปนะเมื่อไหร่ใจยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะใจจะสงบใจจะมีสันติสุขนะเราฝึกนะฝึกลงปัจจุบันในสุดปัญหาก็อยู่ส่วนปัญหา จิตก็อยู่ส่วนจิตนะไม่ทุกไปกับปัญหาหรอกนะฝึกนะฝึกเอาไม่รู้จะช่วยพวกเราได้ไงก็ได้แต่บําบัดทางจิตอย่างนี้แหละนะแต่ข้ามเขาก็ไม่ได้นะี่วิธีขเขาก็ไม่ได้นะ ไ, ได้แต่บอกพวกเราวิธีที่เราจะไม่ทุกนะในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหานะฝึกเอาอเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ